การเกิดขึ้นมาของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตามประวัติก็เกิดจากการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือส ม, มณะณโคโดมที่ได้ เกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วพออายุครบ29ปีก็สละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชเป็นสมณะณโคดมหลังจากที่ได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติอยู่หปีก็ได้ค้นพบความจริงที่เรียกว่าอริยสัจสี ที่เราเรียกว่าได้ทรงตัดสรู้พระอริยสัจ ส, สีคือได้พบความจริงที่ทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของพระองค์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสั้นความจริงนี้แล้วก็ทรงเอาความจริงคือพระอริยสัจสีมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่มีศรัทธาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำไปปฏิบัติก็ สามารถทำตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งหลุดพ้นแล้วก็เลยเอาความจริงที่ได้ส่งพบจากการปฏิบัติไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเป็นทอดๆไปจึงทำให้มีพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ2 5 6หกว่าปีมาแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรู้ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาหรือถ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วแต่ ไม่นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ไม่มีความคิดที่อยากจะเผยแผ่สั่งสอนอริยสัจสีนี้ให้แก่ผู้อื่น พระทรงเห็นว่ามันเป็นการกระทาเป็นการปฏิบัติที่ยากต่อสัตว์โลกต่อบุคคลทั่วไปที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ทรงท้อพระทยัยทรงคิดว่าสอนแล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์ได้รับผลเพราะ การปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงความจริงนี้เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกนี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นมากเป็นสิ่งที่สวนทางกับการดับทุกข์ของบุคคลทั่วๆไปแต่หลังจากที่ได้ทรงมีเวลาพิจารณาวิเคราะห์ดู ก็ทรงเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่เหมือนกันคนเหล่านี้มีความรู้ความสามารถความฉลาดไม่เท่าเทียมกันพระองค์จึงทรงเปรียบเทียบแยกแยะคนเหล่านี้ไว้สี่กลุ่มด้วยกันคนที่มีความสามารถมากจนไปถึงคนที่มีความสามารถน้อย แยกไว้เป็นสี่กลุ่มด้วยกันเหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวนี้ก็มีอยู่สี่เหล่าด้วยกันคือบัวที่โผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะบานออกมาเวลาที่ได้รับแสงสว่างจากพระอาทิตย์อันนี้ก็เป็นบัว ชนิดที่ที่หนึ่งบัวชนิดที่สองก็เป็นบัวที่ปริ่มน้ำแต่ยังไม่โผล่เหนือน้ำขึ้นมากำลังจะโผล่รอเวลาอีกสักวันสองวันก็จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วก็พอได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมาได้ บัวชนิดที่สามก็เป็นบัวกลางน้ำอยู่ระหว่างโคลนต้มกับ ผ, ผิวน้ำใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาได้แต่ก็โผล่ขึ้นมาได้แต่ต้องใช้เวลาและพอโผล่ขึ้นมาก็จะบาน เวลาที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่วนบัวชนิดที่สี่นี้คือบัวพุ่งงอกคือออกมาจากโคลนตมบัวพุ่งนี้โอกาสที่จ ะ, จะเจริญเติบโตและโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนี้จะมีโอกาสน้อยมากส่วนใหญ่ จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปนี่คือลักษณะของคนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแยกแยะว่ามีอยู่สี่ประเภทด้วยกันคนที่มีความสามารถมีสติปัญญามีความรู้ที่จะรับคมสอนของพระพุทธเจ้าได้ อย่างรวดเร็วก็เป็นพวกบวชกลุ่มที่หนึ่งบวชกลุ่มที่หนึ่งก็คือพวกที่เป็นนักบวชพวกที่ได้ออกบวชแล้วก็ได้รักษาศีลได้เจริญสมาธิมีสมาธิมีฌานขั้นต่างๆพวกนี้จะเป็นพวกที่พร้อมที่จะรับกับ ปัญญาคือความรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงความรู้คือพระอริยสัจ ส, สี่ที่เป็นสุดยอดของปัญญาให้แก่ผู้ที่มีศีลมีสมาธิแล้วผู้นั้นก็จะสามารถปฏิบัตินำเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ มาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเขาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพระพุทธเจ้าก็เลยส่งมุ่งไปสั่งสอนพวกที่เป็นนักบวชก่อนเพราะว่าเมื่อได้สอนแล้วแล้วเขาได้ศึกษาเขาได้ปฏิบัติเขาได้บรรลุแล้ว เขาก็จะได้มาทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนความรู้นี้อีกทอดหนึ่งเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์ให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์กันอย่างรวดเร็วพาอไม่เสียเวลามากเพียงแต่สอนครั้งเดียวก็บรรลุได้เลย นนในยุคแรกๆของการเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมุ่งไปสู่พวกที่มีความรู้ความสามารถที่จะรับเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้และสามารถบรรลุได้อย่างรวดเร็วดันั้นในยุคในการเผยแพร่ธรรม ช่วงแรกนี้พระพุทธเจ้าจะบุ้งไปที่นักบวชการแสดงธรรมครั้งแรกก็ได้ส่งแสดงธรรมให้กับนักบวชคือพระปัญจวคีห้ารูกที่เคยติดตามเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามาแต่ได้แยกทางกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งละการทรมานร่างกายด้วยการไม่รับประทานอาหาร ก็เลยเสื่อมศรัท ธ, ธาในตัวพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้านี้กลัวตายยอมแพ้ไม่ปฏิบัติต่อก็เลยแยกทางกันไปอยู่คนละที่กันพอพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วแล้วคิดที่จะเผยแผ่ธรรมก็ทรงคิดถึงพระปัญจวัคคีเพราะ ได้ศึกษาได้เรียนได้ปฏิบัติมาร่วมกันทรงรู้ว่าเขามีศีลมีสมาธิพร้อมบริบูรณ์พร้อมที่จะลองรับปัญญาที่จะทำให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งหมดจึงมุ่งไปที่พระปัญจวคีแล้วก็ทรงแสดงพระอริยสัจสี่ ให้แก่พระปัญจวัคคีหลังจากที่ทรงสแสดงเสร็จหนึ่งในหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นที่หนึ่งได้คือความทุกข์ระดับของพระโสดาบันลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้ด้วยการมีดวงตาเห็นธรรม ที่เห็นว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาห้ามเขาไม่ได้เมื่อเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะให้เกิดความทุกข์ก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเอง แลวผู้ที่จะหยุดความแก่หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิมีฌานขั้นอัปปนาสมาธิพระปัญจวัคคีย์มีมีอัปปนาสมาธิแต่ปัญญาของแต่ละท่านยังไม่ไม่รวดเร็วเท่ากันพระปัญจวัคคีย์รวดเร็วกว่าฟังปุ๊บเข้าใจปับ๊บสามารถ หยุดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมนั้นเลยส่วนอีกสีรูปนั้นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเอาไปค่ายควรเอาไปพิจารณาก่อนแล้วก็บรรลุตามได้พอทรงแสดงธรรมครั้งที่สองแสดงเรื่องอนัตตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาพอเขาฟังทั้งห้าเข้าใจก็ปล่อยวางปล่อยวางร่างกายปล่อยวางจิตใจไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเราทั้งร่างกายและจิตใจก็เลยได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์หลุดพ้นจากการ ที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมๆกันห้ารูปเลยพอหลังจากที่ได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้แยกทางกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อจะได้นำเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อีกต่ออีกทอดหนึ่ง นี่ก็คือวิธีของการสร้างพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าสร้างด้วยการสั่งสอนสั่งสอนให้เกิดมีครูมีอาจารย์แล้วจะได้มีครูอาจารย์มาช่วยพระพุทธเจ้าสั่งสอนอพอไปสั่งสอนก็จะได้ครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากศาสนาพุทธก็เลยเผยแพ่ไปได้อย่างรวดเร็ว เพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการเผยแผ่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏมีผู้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถึงอย่างน้อยก็ 1,250 ราูปเราในวันมาคา บ, บูชาเป็นเวลาเจ็ดเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนครั้งแรกในวันอาสาห บ, บูชา คือวันแผ่นเดือนแปดพอถึงวันแผ่นเดือนสามเจ็ดเดือนต่อมาเป็นวันมาคบบูชาก็มีพระอาหารหันตสาวกที่ได้กระจายกันไปทั่วสาธทุกสารทิศเพื่อไปเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐนี้ได้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าและมีความปรารถนาที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมีพระอาหารหัน 1250รูปที่มาจากทิศ ต, ต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะมีความรักมีความคิดถึงพระพุทธเจ้าจึงได้กลับมาเยี่ยมเยียนเหมือนเป็นวันคืนสู่เย้าของพวกนักศึกษาที่ได้จบจากการศึกษาแต่คิดถึงพระคุณของครูอาจารย์ คิดถึงคุณของโรงเรียนก็เลยมีวันกับคืนสู่เย้ากันกลับมาพบปะกันคิดถึงเพื่อนฝูงที่เลื่อนเลือนเรียนด้วยกันมาเราจึงรู้ว่าภายในเจ็ดเดือนนี้มีพระอาหารหันต์สาวกปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรห้าสิบูปที่ปรากฏเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้ก็เพราะมี พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีผู้ที่ได้ตัดสู้พระอริยสัจ ส, สีได้ด้วยตนเองจะมีได้เพียงคนเดียวที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถพบพระอริยสัจ ส, สีได้ด้วยตนเองส่วนพระอรหันตสาวกนี้เป็นผู้ที่ได้พบพระอริยสัจ ส, สีด้วย ด้วยการฟังจากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้จะไม่มีใครรู้พระอริยสัจสีได้ด้วยตนเองจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้พระอริย ส, สัจสีแล้วเอาพระอริยสัจสีนี้มาเผยแผ่สั่งสอนอีกทอดหนึ่งเท่านั้นถึงจะสามารถรู้พระอริยสัจสีได้และปฏิบัติ จนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จัตโลกทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายในโลกนี้จึงเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเพราะถ้าขาดพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วจะไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้ก่อนเท่านั้นเพราะสัตว์โลกโดยทั่วไปอย่างพวกเรานี้ จะไม่มีความสามารถที่จะค้นพบพระอริยสัจสี่ได้ด้วยตนเองเลยต้องรอให้มีผู้ค้นพบแล้วมาบอกพวกเราเท่านั้นละถึงแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาค้นพบแล้วมาบอกพวกเราแล้วพวกเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้บรรลุไม่ได้หลุดพ้นกันทุกคนเพราะว่า ต้องมีความรู้ความสามารถพอที่จะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติได้พวกที่ทําได้ก็คือเป็นพวกบัวเหล่าที่หนึ่งพวกนี้เป็นพวกที่พร้อมพร้อมมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลา ออกจากสมาธิจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็เย็นจิตก็สงบแต่ก็ยังเกิดความทุกข์ขึ้นเป็นระยะระยะเวลามีความอยากปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าความอยากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกข์กันแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะกำจัดความอยากกำจัดความทุกข์ว่าจะกำจัดอย่างไรแต่พอได้ฟัง ทำจากพระพุทธเจ้าได้ฟังเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาว่าเป็นความอยากต่างๆเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วพอแล้วก็ถ้ามีปัญญามีสมาธิก็ให้หยุดความอยากนี้เวลาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายโดยการใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าร่างกายนี้ จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่จากการไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วก็ไม่ได้ทำให้นั่งกายหยุดจากการแก่การเจ็บการตายอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆเพราะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้หยุดความแก่ความเจ็บความตายได้มีแต่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมา พอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทาให้ทุกข์ไปปล่าๆก็เลยหยุดมันด้วยกำลังของสมาธิทาใจให้สงบเข้าสมาธิไปความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็จะหยุดทำงานแล้วมันก็จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ในระดับขั้นที่หนึ่งได้ในระดับของร่างกายอันนี้ก็เป็นความรู้ความสามารถของผู้ที่มีศีลมีสมาธิแล้วเป็นพวกนักบวชที่ได้บวชมาและได้ศึกษาได้ปฏิบัติสมาธิมาอย่างโชคชนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาเวลาออกจากสมาธิก็สามารถควบคุมจิต ไม่ให้ฟุ้งซ่านได้นี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่พระเจ้ามุ่งไปสั่งสอนพอหมดพวกกลุ่มที่หนึ่งพระองค์ก็มุ่งไปสู่กลุ่มที่สองที่จะต้องใช้เวลามากกว่ากลุ่มที่หนึ่งถึงจะสามารถปฏิบัติและหลุดพ้นได้กลุ่มที่สองคือพวกอะไรพวกไหนก็พวกเป็นนักบวชเหมือนกันแต่เพิ่งบวชเพิ่งมาหัดรักษาศีล กำลังหัดนั่งสมาธิกำลังหัดเจริญสติกำลังหัดนั่งสมาธิเข้าสมาธิยังไม่ได้หรือได้ก็ได้แป๊บเดียวแบบงูแลบลิ้นเข้าไปปั๊บแล้วเดี๋ยวพอสงบปั๊บก็ถอยออกมายังเข้าไปอยู่ไม่ได้นานและเข้าไปไม่ได้บ่อยต้องมันฝึกฝนอบรมไปก่อนพวกนี้เป็นกลุ่มที่สองคือ ปัญญาที่พทธเจ้าทรงสอนนี้ยังจะไม่สามารถทำให้เขาหลุดพ้นได้เพราะเขาไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ถึงแม้จะรู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ใจไม่มีกำลังหยุดความอยากได้ไม่มีกำลังหยุดจิตทำใจให้สงบได้พวกนี้จึงต้องมีความเพียรพยายาม ฝึกสติให้มากมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆไม่ไปทำภารกิจอย่างอื่นทุ่มเทเวร ง, งเวลาชีวิตจิตใจให้กับการเจริญสติทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาเดินแล้วเมื่อย ก, ก็กลับมานั่งนั่งแล้วเมื่อยก็กลับไปเดินทําอย่างนี้สลับไปจนกว่าที่จะสามารถ เข้าถึงเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วและได้ทุกเวลานาทีถ้ามีอัปปนาสมาธิแล้วทีนี้เอาปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเจริญก็จะสามารถหยุดความอยากได้เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าการอยากนี้ทำให้ใจทุกข์และอยากไปก็ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ เพราะสิ่งที่อยากได้นี้มันเป็นอนิจจังอนัตตาได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้ได้ร่างกายมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้ฉะนั้นก็อย่าไปอยากมีร่างกายอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย าการจะไม่มีร่างกายก็ต้องไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายต้องไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเพราะถ้ามีความอยากในรูปเสียงผดทพะก็จะมีก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายงั้นถ้าละความอยากในกามได้กา ม, มคุณทั้งห้าละได้ไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะได้ก็ไม่ต้องมีร่างกาย เมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปนี่คือกลุ่มที่สองที่ยังต้องใช้เวลามากกว่ากลุ่มที่หนึ่งเพราะมีแต่ศีลแต่สมาธิยังไม่มีเป็นนักบวชนักษาศีลได้ศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองรอยิบเจ็ดนี้รักษาได้แต่สมาธิยังไม่ได้ ใจยังฟุ้งยังคิดยังปรุงยังแต่งยังอยากได้น่นอยากมีนี่ยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่ก็เลยต้องหมั่นเจริญสติเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะควบคุมความคิดความอยากถ้ามีสติก็จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบมีความสุขใจก็จะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรส ใจก็ไม่หิวกับการที่จะต้องมีร่างกายใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายและปล่อยทำที่สูงกว่า น, นั้นได้อันนี้ก็เป็นขั้นที่สองเป็นผู้กลุ่มที่พระเจ้าทรงมุ่งไปสอนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะบรรลุได้ ตามกลุ่มที่หนึ่งแต่ต้องใช้เวลาฝึกผนอบรมสั่งสอนแล้วถ้ามีความภาคเพียรมีความพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปกลุ่มนี้พระพุทธเจ้าต้องสอนให้เขารู้จักนั่งสมาธิให้รู้จักเดินจงกรมนั่งสมาธิเจรณญสติ ให้ได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิแล้วพอได้อัปปนาสมาธิแล้วก็จะมีกำลังที่จะมาศึกษาทางปัญญาให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่ว่าจะอยากกับร่างกายหรืออยากกับจิตใจก็อยากไม่ได้ต้องหยุดความอยากถ้ามีสมาธิก็จะหยุดได้งนั้นพวกนี้ต้องพยายาม เรียนสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนพอได้แล้วก็เอาอาริยสัจ ส, สีมาสอนใจให้เกิดความเข้ารู้ความรู้ความเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่ใช่ไปทาตามความอยากทาตามความอยากแล้ว ความอยากจะไม่หายไปต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นความอยากถึงจะหายไปได้ตวงนี้เดี๋ยวเขาก็พัฒนาขึ้นไปเป็นเป็นบัวเป็นบัวพ้นน้ำขึ้นมาได้บัวโผล่เหนือน้ำขึ้นมาได้จาก พ, พัฒนาจากกลุ่มที่สองขึ้นมาเป็นกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็จะบรรลุธรรมได้ตามลาดับต่อไปนี่คือกลุ่มที่ สองที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งไปสั่งสอนหลังจากที่สั่งสอนพวกกลุ่มที่สองกลุ่มนักบวชหมดแล้วทีนี้พระองค์ก็มุ่งไปกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามนี้เป็นพวกคารวาดญาตโยมพวกที่ยังไม่สามารถรักษาศีลได้บอยสุดตลอดเวลายังไม่ได้สามารถรักษาศีลของนักบวชได้รักษาได้อย่างมากก็ศีลของนักบุญ คือศีลห้าแล้วก็ทำบุญทำทานได้เท่านั้นต่จะให้มาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิถือศีลแปดยังไม่สามารถทำได้แต่กลุ่มนี้อยู่ดีที่ตรงที่ว่ามีศรัทธามีความเชื่อความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์และสามารถ พาให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่เขาต้องปฏิบัติพัฒนาตัวเขาเองขึ้นไปจากการเป็นค า, า, ารวะก็ต้องก้าวสู่การเป็นนักบวชต่อไปแล้วพอเป็นนักบวชก็ต้องทำความเพียรเจริญจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาแล้วพอได้สมาธิแล้วก็สามารถก้าวขึ้นสู่กลุ่มที่หนึ่งต่อไป แล้วก็บรรลุทำได้ตามลำดับนี่เป็นกลุ่มที่สามที่พระเจ้าทรงมุ่งไปสั่งสอนเป็นเป็นกลุ่มที่ต้องใช้เวลามากเพราะเป็นเหมือนบัวอยู่กลางน้ำกว่าจะเจริญเติบโ ต, ะตะขึ้นไปโผล่เหนือน้ำได้นี้ก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้ามีความเพียรพยายามที่จะ ศึกษาที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้รับแสงสว่างแห่งธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันนี่คือกลุ่มของคารวะญาติโยมที่ยังมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มีภารกิจกับครอบครัวกับบิดามารดากับอะไรต่างๆที่จะต้องหาเวลาตัดภารกิจตัดความผูกพันเหล่านี้ให้ออกไปจากใจให้ได้ด้วยการพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์คือศีลห้าและให้มันทำบุญ การทำบุญนี้ก็เพื่อให้เราให้ผู้ทำบุญได้ยุติการใช้เงินไปทำตามความอยากต่างๆถ้ามีเงินแล้วอยากจะไปซื้อของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อมีเงินแล้วอยากจะเอาเงินไปเที่ยวพระอุตจ้าบอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะทำให้มีความทุกข์มากขึ้นไม่ใช่มีความทุกข์น้อยลงเพราะไปส่งเสริมความอยากพออยากเที่ยวก็ไปเที่ยว พอเที่ยวเงินหมดแต่ความอยากเที่ยวไม่หมดพออยากเที่ยวอีกไม่มีเงินเที่ยวทีน่นี้ก็จะทุกข์แล้วถ้าอยากเที่ยวแล้วเอาเงินไปทำบุญก็จะเลิกความอยากเที่ยวได้แล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะเวลาทำบุญก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเป็นการใช้เงินถูกวิธีใช้เงินดับความทุกข์ใช้เงินสร้างความสุข ต้องใช้เงินด้วยการทำบุญทำทานไม่ใช่ทำเงินไม่ใช่ใช้เงินด้วยการไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จําเป็นที่ต้องซื้อไม่ไม่ใช่ใช้เงินเพื่อจะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย น, นี่คือวิธีสอนของพระพุทธเจ้าแก่ผู้ที่ยังมีเงินมีทองอยู่สอนให้ทำบุญก่อนเพราะถ้าทำบุญได้แล้วความอยากจะใช้เงินอยากจะหาเงินมันก็จะน้อยลงไปะ ก็จะทำให้รักษาศีลห้าได้บ่อยสุดถ้ายังอยากหาเงินยังต้องการใช้เงินอยู่ก็จะต้องหาเงินถ้าต้องหาเงินถ้าต้องการหามาอย่างง่ายง่ายและรวดเร็วก็ต้องทาบาปถึงจะหาได้ง่ายและได้รวดเร็วเพื่อจะได้เอามาใช้ตามความอยากได้แต่เมื่อไม่ได้ใช้เงินตามความอยาก ควาจำเป็นที่จะต้องหาเงินมากๆหาเงินแบบง่ายๆแบบเร็วๆก็ไม่ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องไม่มีก็ไม่ต้องไปทำบาปหากินแบบตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ขายคนจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ว่าเลยแต่ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ช่าโกงวงนี้ก็จะทาให้รักษาศีลห้าได้ ผู้ที่ทาบุญแล้วจะไม่ชอบโกหกหลอกลวงใครไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่ทำบาปจะรักษาศีลทั้งห้าข้อได้อย่างง่ายดายพอมีความสามารถที่จะรักษาศีลข้อห้ห้าข้อได้แล้วในวันวันหยุดทำงานเช่นวันพระสมัยก่อนนี้วันพระเป็นวันหยุดทำงานพวกที่ถือศีลห้าก็จะไปวัดกันไปทำบุญกัน แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญแล้วก็อยู่วัดอลองหัดบวชช่วงคราวอยู่หนึ่งวันหัดอยู่แบบนักบวชอยู่หนึ่งวันด้วยการถือศีลแปดด้วยการฝึกเจริญสตินั่งสมาธิและด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญ า, อ, าอันนี้ก็คือวิธีพัฒนาของบัวกลุ่มที่สามให้ ก้าวขึ้นสูบ 2, บ่บัวกลุ่มที่สองและบุบบัวกลุ่มที่หนึ่งตามลําดับต่อไปต้องทําแบบนี้วันที่ต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ให้รักษาศีนหน้าให้บริสุทธิ์แล้วก็ทําบุญทําทานด้วยการใส่บาตรหรือด้วยการสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไปแล้วพอวันพระวันหยุดทํางานก็ไปอยู่วัด ไปถือศีลแปดไปฝึกนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้รู้ว่าวิธีดับทุกนี้ดับด้วยอะไรก็จะรู้ว่าต้องดับด้วยสมาธิและปัญญาสมาธิก็คือต้องทำจิตให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดหยุดอยากปัญญาก็จะสอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก การทำตามความอยากจะไม่ได้ดับความทุกข์ถ้าดับก็เป็นการดับชั่วคราวดับในขณะที่ได้ทำตามความอยากแต่พอทำแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกวิธีที่จะดับความอยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่้นมามันอยากมันรู้สึกใจสัน่นใจไม่สบายก็ใช้สมาธิดับมันได้เข้าสมาธิไป ก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังไปจะไม่มารบกวนใจต่อไปนี่ก็คือกลุ่มที่สต้องใช้เวลามากกว่ากลุ่มที่สองและกลุ่มที่หนึ่งต้องมีต้องเพราะว่ายังมีงานที่จะต้องทำมากไหนจะต้องตัดภาระผูกพันต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการ กิจการต่างๆก็ต้องใช้เวลาพยายามทําไปเรื่อยๆถ้าทําถ้าไปอยู่วัดได้ครั้งหนึ่งแล้วอาทิตย์ละครั้งแล้วแล้วถ้าเกิดได้เห็นผลเกิดจากการปฏิบัติว่าทําให้จิตใจมีความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็จะเกิดมีศรัทธาที่อยากจะ ปฏิบัติให้มากขึ้นก็อาจจะหาเวลาเพิ่มขึ้นในการไปอยู่วัดไปปฏิบัติลดการทำงานหาเงินหาทองให้น้อยลงไปเพราะถ้าได้ไปปฏิบัติแล้วการจะใช้เงินทองก็จะน้อยลงไปความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางร่างกายก็จะน้อยลงไปความจำเป็นที่จะต้องหาเงินมากก็จะมีน้อยลงไป ก็อาจจะลดการทำงานได้จากการทำา5วันมาก็ห้าวันหรือ6วันก็ลดเหลือ4วันเหลือ3วันออก็พยายามลดลงไปเรื่อยๆเพิ่มวันการเพิ่มวันของการปฏิบัติให้มีมากขึ้นไปแล้วถ้าปฏิบัติมากขึ้นผลก็จะปรากฏมากขึ้นความสุขความสงบทางจิตใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับ ก็า จ, จะทำให้มีกำลังที่จะไปบวชได้เลยเป็นขั้นต่อไปพอรู้ว่าบวชแล้วไม่ทุกข์เพราะสามารถควบคุมจิตใจได้สามารถรักษาศีลของนักบวชได้จะไม่รู้สึกทุกข์เพราะว่าสามารถทำใจควบคุมความอยากได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิ แต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้มันมาสร้างความทุกข์ทรมานใจเช่นเวลาตอนเย็นก็สามารถควบคุมความอยากจะรับประทานอาหารได้ถึงแม้ว่าจิตจะไม่รวมแต่ก็ควบคุมความอยากพอที่จะทำให้ไม่รู้สึกทรมานกับความอยากที่จะรับประทานอาหารเย็นได้อันนี้ก็เป็นการพัฒนาของบัว เหล่าที่สเพื่อก้าวสู่บัวเหล่าที่สองคือเป็นนักบวชนักบวชเต็มร้อยแต่เป็นนักบวชที่มีแต่ศีลยังไม่มีสมาธิก็ต้องพัฒนาการเจริญสติการเจริญสมาธิเพื่อให้ทําใจให้รวมให้สงบให้มีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยาก พอทำจิตให้รวมได้ก็จะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สระดับของอบัวที่เหนือน้ำหรือบัวกลุ่มที่หนึ่งบัวเหนือน้ำได้แล้วพอเอาปัญญาที่พทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาวิเคราะห์มาพิจารณามาปฏิบัติตามก็จะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ นี่คือบัวกลุ่มที่สามที่พระพุทธเจ้าบุคคลกลุ่มที่สามที่เปรียบเหมือนกับบัวการงามที่พระพุทธเจ้าได้ไปโปรดหลังจากที่ได้โปรดพวกบัวที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองแล้วทีนี้เหลือกลุ่มที่สก็มาโปรดมาสั่งสอนต่อส่วนบัวกลุ่มที่สบัวที่อยู่กับโคลนกับตมนี้ พระพุทธเจ้าไม่ทรงไปโปรดเพราะเป็นพวกที่ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อวิธีดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นวิธีดับทุกข์เขายังเชื่อวิธีดับทุกข์ด้วยการหาความสุขต่างๆหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสตรงนี้เขาจะไม่เข้าวัดเขาจะไม่ทาบุญไม่รักษาศีล เขาจะเอาเวลาไปหาเงินหาทองกันเมื่อได้เงินได้ทองมาก็จะไปเที่ยวกันไปซื้อข้าวซื้อของที่อยากจะซื้อกันนี่ก็เป็นพวกที่จะไม่มีวันที่จ ะ, ะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาได้เพราะว่าจะติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปจนวันตายพอตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ พอกลับมาเกิดใหม่ก็จะมาหาความสุขกับร่างกายใหม่มาหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระใหม่ไปเรื่อยๆจะมาเกิดพบพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเพราะจะไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อวิธีดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นวิธีดับทุกข์เพจะเห็นว่าเป็นวิธีสร้างความทุกข์เสียมากกว่าพรเวลาที่เขาทําบุญเขาต้องเอาเงินบริจาคเขาก็จะทุกข์แล้วเพราะเขาเสียดายเงินแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็ต้องเอาเงินมาบริจาคมาทําบุญแต่บางครั้งเขาก็ทําแต่ไม่ได้ทําด้วยความอยากทําไม่ได้ทําด้วยศรัทธาแต่ทําเพราะเป็นเรื่องของสังคม เ, เหมือนภาษีสังคมเมื่ออยู่ในสังคมเขามีการบริจาคมีการทำบุญก็ต้องทำไปแต่ไม่ได้ทำเพราะคิดว่าจะทำจะทำให้จิตใจเขาสูงขึ้นจะทำให้ความทุกข์น้อยลงจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขากลับคิดว่าทำแล้วทำให้เขาทุกข์มากขึ้นมากกว่าเพราะเขาต้องเสียเงินไปเขาจะเสียดายเงินเหมือนเวลาที่มีคนมาขาโมยเงินไปนี่ จะรู้สึกเสียดายเสียใจจะทุกข์เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปแต่จาใจแต่ต้องต้องเสียไปเพราะด้วยความจำใจเพราะอยู่ในสังคมบางทีก็ต้องทำบุญทาทานเอาหน้าเอาตาเอาเกียรติเอายศเพื่อที่จะได้เป็นที่รับของสังคมตรงนี้ไม่ได้ทำบุญเพื่อดับความทุกข์ทำบุญเพื่อเอาหน้าเอาตาเอาเกียรติยศ เอาสรรละเสริญเอาความยกย่องอันนี้ทำบุญแบบนี้จะไม่ได้ดับความทุกข์ถ้าให้ทำบุญแบบความทุกข์นี้เขาจะไม่ทำคือทำบุญแบบปิดทองหลังพระนี่นี่คือวิธีดับความทุกข์ด้วยการทำบุญทำบุญที่แท้จริงต้องทำบุญแบบปิดทองหลังพระไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องประกาศชื่อทำไปเพื่อความสบายใจ ทำไปเพื่อดับความอยากที่จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆเอาเงินนี้ไปทำบุญแล้วไม่ต้องประกาศให้เขารู้ก็ได้ประกาศก็ได้ถ้าเขาจะประกาศก็ไม่ห้ามแต่ไม่ต้องไปบอกไปสั่งให้เขาประกาศเพราะเราไม่ได้ทำบุญเพื่อเอาชื่อเอาหน้าเอาตา mm hmm. เราทำบุญเพื่อดับความอยากความอยากที่จะเอาเงินไปใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ พวงนี้จะไม่มีวันที่จะเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะจะเห็นว่าการกคําสอนแต่ละขั้นนี้เป็นคําสอนที่ทําให้เขาทุกข์สอนให้ทําทานเขาก็ทุกข์สอนให้รักษาศีลเขาก็ทุกข์เขาอยากจะกินเหล้าพวกเข้าสังคมเขาก็ต้องกินเหล้ากันถ้าไม่ได้กินเหล้าเขาก็ทุกข์เขาก็ไม่อยากจะทําตามคําสอนพวกเข้าสังคมเขาก็ต้องโกหกตอแหลหลอกลวงกัน พอเขาไม่ได้ตัวโกหกตอแหลหลักหลอกลวงเขาก็ทุกข์กันพวกที่อยู่ในสังคมทำรรมาหากินหาเงินหาทองก็มักจะต้องมีการโกงกันหลอกมีการแก่งแย่งชิงดีกันมีการโกงกันแล้วก็มีการประพฤติผิดประเวณีกันเข้าสังคมแล้วเดี๋ยวไปเห็นสามีของใครเห็นภรรยาของใครเกิดความชอบเกิดความอยากขึ้นมาก็อยากจะได้เขามา ร่วมหลับนอนด้วยถ้าทําตามคําสอนมันก็ทุกข์ถ้าไม่ได้ทําตามคําสอนมันก็สุขถ้าได้ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของคนอื่นก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาหลังจากที่ทําไปแล้วทําไปแล้วถ้าเกิดสามีภรรยาเขารู้เข้าหรือของเราสามีภรรยาของเขาหรือสามีภรรยาของเรารู้เข้าเดี๋ยวก็เกิดบ้านแขกบ้านแตกสาวแหลกขายขึ้นมา เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนกันขึ้นมาไปหมดเนี่ยอันนี้เขาคิดไม่ถึงเขาคิดแต่ความสุขระยะสันส้นๆความสุขที่จะได้รับจากการเสพประพฤติผิดประเวณีนี่เองเขาจึงไม่อยากจะรักษาศีลเพราะเขามองเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ยากลำบากเป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขของเขาจะหาความสุขจากการดื่มชวาก็ดื่มไม่ได้ จะหาความสุขจากการประพฤติผิดประเวณีก็ทำไม่ได้จะหาความสุขหาเงินหาทองด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการชั่วโกงก็ทำไม่ได้เวลาเกิดความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองใครจะไปฆ่าเขาก็ฆ่าไม่ได้ก็เลยเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้นำไปสู่ความดับทุกข์แต่เป็นการนำไปสู่ ความทุกข์เขาก็เลยไม่อยากจะเข้าหาพระพุทธศาสนาไม่อยากเข้าหาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหนังสือธรรมะเขาก็จะไม่อยากอ่านเพราะอ่านแล้วมันขัดกับวิถีชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขานี้ต้องอใช้เงินใช้ทองไปตามความอยากวิธีหาเงินหาทองก็หาด้วยทุกรูปแบบถ้าต้องโกงก็โกงถ้าต้องโกหกก็โกหก นั้นมันขัดกับความกั บ, ก, บกับการดําเนินชีวิตของเขาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือพวกบัวเหล่าที่สี่ที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเสียเวลาปเปล่าๆสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเทน้ําใส่หลังสุนัขเนี่ยเวลาเทน้ําใส่หลังสุนัขนี่สุนัขมันไม่จะไม่เรียมันมันจะไม่ยินดีจะไม่เก็บเอาไว้มันจะสะบัดทิ้งทันที จันด้พวกนี้พอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะสบัดทิ้งทันทีได้รับหนังสือธรรมะมาพอออกจากวัดไปก็อาจจะโยนทิ้งถังขยะไปเพราะไม่มีประโยชน์สําหรับเขาเพราะมันขัดกับวิถีการดําเนินชีวิตของเขาการหาความสุขของเขาบุคคลเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ไปเทศไปสอนให้เสียเวลาจะสอนแต่พวกที่มีศรัทธาความเชื่อ สอนที่พวกที่เชื่อคำสอนพอพวกที่ได้ยินคำสอนแล้วเกิดศรัทธาอยากจะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะส่งสอนนี่คือบุคคลสี่เหล่าที่แบ่งเป็นบัวสี่เหล่าที่พระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธเจ้ามีกำลังใจที่จะเผยแผ่คำสอนให้แก่สัตว์โลกในเบื้องต้นตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆ มองเห็นแต่พวกที่เป็นพวกบัวเหล่าที่4ก็เลยไม่มีกำลังใจที่อยากจะสอนคิดว่าทุกคนจะปฏิบัติตามคำสอนไม่ได้แต่พอหลังจากมาแยกแยะดูก็เห็นว่ามีพวกที่สามารถรับคำสอนได้อยู่ถึงสพวกด้วยกันอพวกที่เป็นนักบวชพวกที่มีสมาธิแล้ว พวกที่มิ้นเป็นนักบวชแต่ยังไม่มีสมาธิกําลังฝึกสมาธิอยู่และพวกที่เป็นคาลาวะญาติโยมที่กําลังรักษาศีลห้าอยู่กําลังทําบุญทำทานอยู่แต่ยังไม่ได้ฝึกเป็นนักบวชยังไม่ได้ถือศีลแปหรือถือศีลแปก็กําลังเพิ่งถือในวันพระกําลังหัดเป็นนักบวชอยู่พวกบุคคลสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการตัดสรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทรงนำไปสอนก็ทรงไปสอนบุคคลเหล่านี้ส่วนพวกกลุ่มที่สีน่นี้พระองค์ก็ไม่ไปไม่ไปสอนพวกที่เข้าบารเข้าผับ พ, พวกที่ไปศูนย์การค้าไปซื้อข้าวซื้อของพวกที่ไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพระพุทธเจ้าจะไม่ไปสอนบุคคลเหล่านี้ พอสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือ่บุคคลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นทรงแยกแยะว่าควรจะสอนกลุ่มไหนไม่ควรไม่ควรสอนกลุ่มไหนนี่คือวิธีที่จะทำให้เกิดมีการบรรลุธรรมตามมาต่อไปและผู้ที่บรรลุธรรมนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะมารับช่วงจากพระพุทธเจ้าจากภาษาวกต่อไป พอพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้อยู่ไปตลอดภาษาวกแต่ละพระ อ, องค์ก็จะไม่อยู่ไปไม่ตลอดอยู่ถึงอายุแปดสิบปีเก้าสิปีก็ต้องล้มตายหายจากกันไปก็ต้องมีผู้ที่จะมาสืบทอดหน้าที่เหล่านี้ผู้ที่จะมาสืบทอดเหล่านี้ก็พวกบัวเหล่าเหล่าที่หนึ่ง บ, บัวเหนือน้าที่ได้พัฒนามาจากบัวกลางน้ำบัวปลิมน้ำ แล้วก็มาเป็นบัวเหนือน้ำแล้วพอได้เป็นบัวเหนือน้ำก็จะสามารถถ่ายทอดทำที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุให้แก่ผู้อื่นต่อไปศาสนาของพวกเราจึงมีการเจริญมีการดำรงอยู่มาได้จนถึงปัจจุจจบันนี้ก็เพราะเหตุสามประการสี่ประการคือหนึ่ง มีการศึกษามีการสั่งสอนมีการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า2เมื่อมีการศึกษาแล้วก็นำมาเอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาสอนให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วแต่ฐานะของผู้ผู้เรียนถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็สอนให้ทำทานรักษาศีลภาวนา ภาวนานก็คือการเจริญสติให้การเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานี้เองส่วนถ้าเป็นพวกนักบวชพระองค์ก็ทรงสอนศีลสมาธิปัญญาให้เจริญศีลสมาธิปัญญาเลยเพราะทานนี้นักบวชได้ทาแล้วได้สละหมดแล้วเงินทองที่เอาไปใช้ซื้อของตามความอยากซื้อความสุขตามความอยากก็ได้สละให้แก่ผู้อื่นไปหมดแล้วจึงไม่ต้องทาทาน พวกที่มาเป็นนักบวชนักปฏิบัตินั้นไม่มีเงินไม่มีทองที่จะมาทำบุญทำทานแล้วถ้ามีก็ต้องเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จาเป็นเช่นพวกที่เป็นแม่ชีหรือไม่ได้เป็นพระนี่อาจจะไม่มีปัจจัยสี่บริบูรณ์ก็อาจจะต้องอาศัยเงินทองส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับใช้จ่ายใช้จ่ายเงินทองเพื่อปัจจัยสีน่นี้ไม่ได้เป็นกิเลสเป็นเครื่องสนับสนุนการปฏิบัติธรรม ต, ต้องระมัดระวังมีเงินทองแล้วบางทีกิเลสมันก็อาจจะมาหลอกให้ไปใช้กับสิ่งที่ไม่ได้เป็นปัจจัยสี่ไม่ได้เป็นไม่ได้สนับสนุนการปฏิบัติธรรมก็ได้ต้องระมัดระวังถ้าเป็นไปได้ไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินทองเลยได้จะดีกว่าอย่างนักบวชอย่างพระนี่แต่สมัยนี้พระก็มีเงินมีทองก็ต้องระมัดระวังอย่าให อย่าให้กิเลสมาหลอกให้เอาเอาเงินทองไปใช้สนับสนุนกิเลสเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องเอาเงินทองมาสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้กำจัดกิเลสกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปพระพุทธเจ้าเวลาสอนนักบวชก็สอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญาเวลาสอนให้กับคารวาะญาติโยม ก็สอนให้ทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิน่เองสมถะภาวนาก็ทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิวิปัสสนาก็เจริญก็เจริญความจริงเจริญปัญญาให้เจริญให้เห็นความจริงให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าทุกข์เกิดจากความอยากถ้าจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นจะหยุดได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้น ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ได้มันมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนไปดัดไปแล้วมันจะทำให้เราทุกข์เลได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะเราไปห้ามมันไม่ให้ไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ก็จะได้ไม่อยากได้ก็จะหยุดความอยากได้นี้ก็คือเรื่องของการที่จะทาให้พระพุทธศาสนา อ, อยู่ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องมีการศึกษาคำสอนมีการสั่งสอนมีผู้สั่งสอนอก็ต้องศึกษาศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติอพอปฏิบัติแล้วก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้หยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความต่างหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆได้หมดแล้วก็จะเป็นอาจารย์ได้ก็เอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ไม่รู้ต่อไปได้ ก็จะมีการสั่งสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุต่อไปเป็นเป็นยุคยุคเป็นช่วงช่วงไปจนถึงยุคปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราก็ยังมีการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่และมีการบรรลุทำขั้นต่างๆ ต, ตามที่ตามกาลังของการปฏิบัติอยู่แล้วต่อไปเมื่อได้บรรลุ หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะนําเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ไม่รู้อีกทอดหนึ่งต่อไปถ้าตราบใดยังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการเผยแผ่ทำอยู่ศาสนาของเราก็จะอยู่ต่อไปเพราะศาสนาของพวกเราไม่ได้อยู่กับวัดวาอารามไม่ได้อยู่กับโบสถ์กับเจดีย์ไม่ได้อยู่กับกุฏิ ไม่ได้อยู่กับพระพุทธรูปต่อให้มีสงครามแล้วมีใครเขาจะมาทำลายพระพุทธรูปทำลายวัดทำลายโบสถ์ทำลายเจดีย์เขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายพระพุทธศาสนาได้ถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธทําอยู่อันนี้ทำลายยากกว่าเพราะมันต้องทำลายคนเป็นจำนวนมาก และคนจำนวนมากนี่ก็ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันสามารถหลบหนีหนีไปอยู่ตามป่าตามเขาได้เขาไม่สามารถทำลายศาสนาพุทธได้ถ้าเรามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการเผยแผ่ทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องเขาจะเผาวัดก็ปล่อยเขาเผาไปเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็กลับมาสร้างวัดกันใหม่ก็ได้ วัดในสมัยพุทธกาลก็คือป่าเขาดีๆนี่เองพระพุทธเจ้าไม่มีวัดเหมือนพวกที่วัดที่พวกเรามีกันวัดของพระพุทธเจ้าก็คืออยู่ในป่านั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องของความเสื่อมทางถาวรและวัตถุมันจะเสื่อมก็เสื่อมไปถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้ก็ปล่อยมันเสื่อมไปแต่อย่าไปปล่อยให้การศึกษาการปฏิบัติ การบรลุการเผยแผ่ธรรมนี้เสื่อมก็ลกแล้วกันแล้วศาสนาจะอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆอยู่ไปได้นานแต่ถ้าเราไปหลงเข้าใจผิดคิดว่าศาสนาอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่เจดีย์อยู่ที่วัดแล้วต้องทุ่มเทเวลาให้กับการมาคอยปฏิสังขรณ์วัดวาอารามแล้วก็ปล่อยปะละเลยการศึกษาการปฏิบัติไปถ้าทำอย่างนี้แล้ว ศาสนาจะต้องเสื่อมหมดไปได้อย่างแน่นอนนั้นเราจึงต้องพยายามศึกษาให้รู้ว่าตัวศาสนาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะได้ไม่หลงผิดไ่รักษาส่วนที่ไม่ใช่เป็นศาสนาแล้วไปทอดทิ้งส่วนที่เป็นศาสนาส่วนที่เป็นศาสนาก็คือการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุทมขั้นต่างๆเมื่อได้บรรลุทำขั้นสูงสุดแล้วก็จะได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อีกทอดหนึ่งแล้วอย่างนี้ศาสนาก็จะมีอยู่เรื่อยๆถ้าอยู่ในประเทศนี้ไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นก็ได้ศาสนานี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียพออยู่ในประเทศอินเดียไม่ได้ก็ย้ายมาอยู่ ที่ประเทศพมา่ามาอยู่ประเทศไทยมาอยู่ที่ประเทศศรีลังกาก็ได้ต่อไปถ้าอยู่ประเทศไทยไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่ตอนนี้ก็ย้ายไปต่างประเทศกันมีการศึกษามีการปฏิบัติอยู่ต่างประเทศกันแล้วประเทศทางอเมริกาทางยุโรปทางออสเตรเลียก็มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมดังนั้น ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรมแล้วการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาให้หายจากโลกนี้ไปนี้จะเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ถ้าคิดว่าศาสนาอยู่ที่วัดวารามนี้การที่จะทำลายศาสนานี่ง่ายมากเพียงระเบิดวัดไปมันก็จบแล้วแต่วัดไม่ใช่เป็นศาสนาเป็นเพียงแต่ที่อยู่ของผู้ที่ศึกษาของผู้ปฏิบัติ ของผู้ที่บรรลุผู้ที่เผยแผ่ธรรมเท่านั้นเองแต่ไม่มีวัดวาารมก็ยังสามารถศึกษาปฏิบัติบรรลุธรรมและเผยแผ่ธรรมได้ในทุกที่ทุกแห่งทุกคนโดยเฉพาะในป่าในเขานั่นแหละคือวัดที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเพราะการจะเพราะการจะบรรลุธรรมการจะปฏิบัติธรรมได้ดีนั้นต้องอยู่ในที่สงบอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่าง ก็คือที่อย่างป่าเขานี่เองพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในป่าสั่งสอนก็สั่งสอนในป่าผู้ที่บรรลุก็บรรลุ ก, กันในป่าดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาวัดของพระพุทธศาสนาก็มารักษาป่ารักษาเขากันรักษาธรรมชาติกันแล้วเราจะได้มีที่ศึกษาที่ปฏิบัติทำที่จะทาให้เราสามารถบรรลุธรรมกันได้ แน่จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับโลกนี้ต่อไปได้อีกเป็นเวลาระยะอันยาวนานอย่าไปรักษาวัดวารามถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปขอให้รักษาการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุธรรมการเผยแผ่ธรรมไว้ก็แล้วกันไว้ให้ได้ก็แล้วกันถ้าได้แล้วรับรองได้ว่าศาสนาจะไม่หายจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของการเกิดของพระพุทธศาสนาเรื่องของการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปิริปเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังต um ุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะหระโสยะถามณิโชติ ระโสยะาสภิติโยวิวัชาันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรมาวทาติอายุวันโนสุขัง พาลาอ่านำดับต่อไปอก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชมแล้วจะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาอยากจะถามถ้าขึ้นมาถามด้วยตัวเองได้ก็ขึ้นมา ถ้าขึ้นมาไม่ได้จะเขียนข้อความฝากให้เขาอ่านให้ก็ได้วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k ทางยูทู e เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กสามร้อยสิบสี่ค่ะยูทูบหนึ่งร้อยสิบสองแล้เก้าวิทยุหกค่ ะ, ะมีคำถามยังมีก็ถามได้เลยคำถามจากเฟ e บุ๊ k ค่ะจากคุณหนูบุญมีค่ะ หนูชอบทําสมาธิมากรู้สึกเบื่อสามีไม่อยากมีครอบครัวอยากจะบวชหนูจะทําอย่างไรคะก็บวชสิสามีเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันอยู่แล้วไม่ตายไม่จากเป็นก็จากตายจากเป็นดีกว่าจะได้ไปปฏิบัติธรรมไปหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราจากตายมันก็อาจจะไม่ได้ไปปฏิบัติะงั้นอยากจะไปได้ก็ไปเลยก็ ก็หากันได้ถ้ามันจะเลิกกันไม่ได้เมื่อก่อ น, นมาเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาเราก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วถ้ามันไม่มีความสุขอยู่กันไปทําไมก็เราไปเขาจะดีใจซะอีกเขาจะได้ไปมีแฟนใหม่เขาจะได้ของใหม่ของเรามันของเก่าแล้วออืไม่ต้องไปกลัวหรอกเขาดีใจรับรองได้ถ้าเราอยากจะเลิกกับเขาคําถามจากคุณการติมาตรค่ะ ขณะที่นั่งสมาธิเกิดเวทนาขึ้นมาเช่นปวดขามากจะต้องทำอย่างไรคะก็อย่าไปสนใจให้นั่งต่อไปโดยต้องมีอะไรกำกับใจให้ใจมีงานทำจะบริกรรมพุทโธก็ได้จะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าบริกรรมไม่ได้ก็สวดไปภายในใจออติปิโสปะกวาอลาห์สัมมาไปแล้วใจก็จะได้ไม่มาคิดถึงความเจ็บเหมือนตอนเรานั่งดูหนังนั่งเล่นไพน่ในเวลาปวดเฉยยังทนได้เลย เพราะเราไม่ไปสนใจกับมันเออถ้าเราไม่สนใจแล้วมันจะไม่มารบกวนใจเราพอเราไปสนใจแล้วมันอยากอยากจะกําจัดมันมันเจ็บก็อยากจะให้มันหายมันก็เลยยิ่งทําให้ปวดขึ้นมาชั้นหนึ่งคือปวดใจไม่ได้ปวดที่ร่างกายแต่ปวดที่ใจเพิ่มขึ้นอีกอันนึ่งแต่ถ้าเราให้ใจมีอะไรทําเช่นดูหนงังนั่งเล่นไพน่นี้มันจะไม่ปวดมากถ้าเรานั่งสมาธิเราก็ต้องสวดมนต์เรือบริกรรมพุทโธไป หรือดูลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บแล้วความเจ็บมันก็จะไม่มารบกวนเรามันจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคำถามจากคุณถ้วยฟูค่ะถ้าเราภาวนาพุโทโธแล้วรู้สึกอึดอัดเลยลองย้ายตำแหน่งจากบริเวณที่ใบหน้ามาณนาอกเรารู้สึกสบายแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับได้แต่ไม่มี ความจริงคำบริกรรมพุทโธนี้ไม่ต้องอยู่ที่ไหนเลยให้อยู่แต่คำบริกรรมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องอยู่ที่หน้าอกไม่ต้องอยู่ที่จมูกนอกจากถ้าจะดูลมเท่านั้นน่ะถึงจะต้องดูที่จมูกหรือดูที่หน้าอกแต่ถ้าบริกรรมพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องใช้ลมก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้จะรวมกันก็ได้แล้วแต่อันไหนจะเหมาะกับเราเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้น ถ้าดูที่หน้าอกแล้วพุโทโธไปด้วยได้แล้วสบายก็ทําตรงนั้นไปคําถามจากคุณพรกนกคะ่ะซองกระถิ่นและฟองพระป่าได้ใส่ปัจจัยอธิษฐานไปแล้วแต่ลืมจนเลยวันกําหนดสามารถเอาไปถวายที่วัดอื่นแทนได้ไหมคะได้ถ้าเราไม่สามารถเอาไปให้ที่วัดที่เขาทําแล้วเขาเสร็จแล้วก็สะดวกที่วัดไหนก็เอาไปที่วัดนั้นก็ได้ หรือจะอาไปวัดให้บัดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเขาก็ไปใช้อย่างอื่นต่อได้เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณอุบลรัตน์รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอิจชา้าบางครั้งคนอื่นได้ดีมีสุขเรายินดีกับเขาแต่ปากไม่พูดทำให้ถามตัวเองว่าดีใจกับเขาจริงหรือเปล่าบางทีคิดว่าคนที่โชคดีทําไมไม่เป็นเราเป็นอย่างนี้บ่อย ควรจะทำยังไงดีคะถึงจะหายไปก็ต้องทำใจต้องอยอมรับสภาพว่าคนเราทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันบุญบารามีไม่เท่ากันโบราณเขาบอกว่าแข่งรถแข่งเรือยังพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งบารามีนี่แข่งไม่ได้เพราะมั น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ต้องทำมาในอดีตไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทาในปัจจุบัน บุญบา ร, รมีผลที่เราได้รับกันในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเป็นผลที่เกิดจากเหตุในอดีตดังนั้นถ้าวันนี้เราสู้เขาไม่ได้แต่วันหน้าเราอาจจะชนะเขาก็ได้ขอให้เราทำบุญบา ร, รมีในวันนี้ให้มากขึ้นเดี๋ยวพวกนี้เราก็จะได้มากกว่าเขาเองดังนั้นอย่าไปอิจฉาลิษยาให้ให้เสียเวลาให้เราทุกไปเปล่าๆเลยเพราะอิจฉาก็ไม่ได้อยู่ดีไปอิจฉาทำไมเราต้องมองความจริง เหมืนขาปลูกต้นไม้มาต้องหลายปีแล้วเขาก็ได้ผลไม้ออกมาแล้วเพิ่งมาปลูกวันนี้แล้วเราก็อยากจะให้มันออกวันนี้มันจะออกวันนี้ได้อย่างไรเราก็ต้องใจเย็นๆพยายามปลูกไปเรื่อยๆทําความดีไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผลของความดีมันก็จะงอกงามออกมาเองตอนนี้ยังไม่งอกงามก็อย่าไปสนใจเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเข า, เ ร, ข เ, ขาเราเราอย่าไปเอาตัวเราไปวัดกับคนอื่น ต้องวัดกับตัวเราเองวัดกับความเพียรความขยันของเราว่าเราขยันมากหรือขยันน้อยถ้าเราขยันน้อยผลมันก็น้อยถ้าขยันมากผลมันก็มากเราวัดตรงนี้ดีกว่าเพราะเราสามารถทำได้ส่วนผลของคนอื่นนี่เราไปคุมไม่ได้ไปคุมให้ผลเขาน้อยหรือให้ผลเขามากนี่เราคุมไม่ได้เพราะผลของเขาเกิดจากเหตุที่เขากระทามา คำถามต่อไปจากคุณธนาวดีค่ะดิฉันพยายามชักจูงมารดาให้มาฟังธรรมพระอาจารย์เทศแต่ท่านพยายามปฏิเสธตลอดบางครั้งก็พูดจาที่ฟังไม่ดีดิฉันควรจะทาอย่างไรและดิฉันจะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอเราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วเราเห็นของดีเห็นทองก็บอกแม่ว่านี่มีทองอยู่ตรงนี้ถ้าแม่ไม่อยากได้ก็ช่วยไม่ได้ <laughs> ก็เท่านั้นเอง yeah. คำถามจากคุณสุนีรัตน์ค่ะเวลานั่งสมาธิได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงตลอดเวลาที่ทําสมาธิจิตอยู่ที่ท้องสว่างตลอดเวลาทุกครั้งไปเป็นอย่างนี้ประมาณหนึ่งปีแล้วเวลาที่ได้นั่งที่ไม่ได้นั่งสมาธิจิตก็จะตั้งมั่นกับทุกเหตุการณ์สามารถนําคุณธรรมมาใช้กับทุกเรื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ต้องนั่งไปจนกว่าจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งเพียงแต่แสงสว่างนี้ยังไม่พอต้องนั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมแล้วนิ่งสงบเป็นอัปปนาสมาธิเป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าท่าได้หนึ่งได้ถึงขั้นนั้นแล้วเราก็จะสามารถใช้ปัญญามาดับความทุกข์ต่างๆมาหยุดความอยากต่างๆได้ ก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นนั่งให้นานขึ้นพอเจอแสงสว่างแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดพุทธโธต่อไปดูลมต่อไปคำถามจากคุณแมนสนค่ะเกี่ยวกับภิกษุณีทำไมเมืองไทยไม่มีและในบางประเทศก็มีเพราะอะไรคะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยค่ะคือพระพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้ว ก็แตกเป็นสองหนอ่อเรียกว่าเถรวาดกับมหายานกัมหายานก็พวกที่เขาไปเผยแผ่ธรรมทางเหนือของประเทศอินเดียขึ้นไปคือประเทศในปานที่เบตจีนเกาหลีญี่ปุ่นเขาจะไปทางนั้นเขาก็มีสายของเขาเขาก็ยังมีสายของพิกษุนีอยู่ส่วนอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าเทรวาดก็เกิดมาทางพมา่าประเทศไทยมาทาง ลาวทางเขมรทางศีรังการนี่พวกภิกษุณีนี่เขาได้หยุดการบวชกันหลังจากประมาณพันกว่าปีก็ไม่มีการบวชภิกษณุณีก็เลยถือว่าภิกษุณีก็เลยขาดสายไปพอขาดแล้วจะมาต่อใหม่ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าห้ามต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อไม่ได้ถ้าขาดแล้วก็ขาดเลย ทางสายเทรวาคือสังสายของประเทศไทยเราเลยจึงไม่มีภิกษณุณีแต่ทางสายของมหายานทางญี่ปุ่นทางเกาหลีทางประเทศจีนทางเนปาลนี่เขายังมีภิกษุณีอยู่พวกที่อยากจะเป็นทุกสิ่นีก็เลยต้องไปบวชทางสายมหายานพอบวชแล้วก็มาอยู่เมืองไทยมาเป็นมหายานอยู่เป็นภิกษณุณีแต่จะเป็นภิกษุณีหรือไม่เป็นมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เป็นภิกษุณีแล้วไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ก็เหมือนกับไม่เหมือนกับคนที่ก็ไม่ได้บวชแล้วไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติคนที่ไม่ได้บวชภิกษุณีแต่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติกับจะดีกว่าคนที่เป็นภิกษุณีที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติยังั้นเราอย่าไปดูที่ว่าเป็นภิกษุณีหรือไม่เป็นเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณีมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมหรือเปล่า คำถามจากแม่โนกค่ะจะวางใจอย่างไรมีหลานเกเรติดยาบอกสอนชักจูงอย่างไรก็ไม่เชื่อพยายามคิดว่าเขามีกรรมเป็นของตัวเองเขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นคิดแบบนี้ได้ไหมคะได้ก็มันเป็นอย่างนั้นน่ะก็เขาทำเองเราเราทำแทนเขาไม่ได้เราเลิกเราทำให้เขาเลิกติดยาไม่ได้เขาจะติดก็เรื่องของเขาเราบอกเขาเราสอนเขา พาเข้าไปหาที่ที่จะทำให้เขาเลิกแต่ถ้าเขาไม่ไปก็ช่วยไม่ได้คำถามจากคุณเบตเตอร์ค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์นอนภาวนาไปเรื่อยจนหลับจูจๆเหมือนฝันว่าลอยสูงขึ้นแต่ลอยเฉพาะลมหายใจเพราะเห็นสิ่งของอยู่ด้านล่างเลยเอาสติไปนึกดูว่าทำอะไรอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่ฝันอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อเขาโอกาสพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะก็ลุกขึ้นมานั่งสิเนนอนภาวนามันก็จะไม่เกิดประโยชน์มันไม่สงบการภาวนานี้เพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิเ่ถ้านอนภาวนามันก็ฝันถ้าไม่อยากจะฝันก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมา คำถามจากคุณจัสไมค์ค่ะมีบางคนพูดว่าเทวดาสามารถทำให้ธาตุขันของพระเป็นพระธาตุได้เช่นเส้นผมหรือฟันค่ะหนูไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงเป็นไปได้จริงขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะตามความเป็นจริงด้วยเจ้าค่ะเทวดาทำไม่ได้หรอก ท, ที่จะทำให้ร่างกายบางส่วนเป็นธาตุขึ้นมาก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์คือจิตของพระอรหรันต จิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆเท่านั้นเช่นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์เนี่สามารถฟอกธาตุทาทให้ร่างกายบางส่วนกลายเป็นาธาตุขึ้นมาได้แต่เทวดาทําไม่ได้เพราะเทวดายังเป็นจิตใจที่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ยังมีกิเลสมีความโลภโกรธหลงอยู่เป็นความเข้าใจผิดน คำถามจากคุณอมริตค่ะกระผมทําสมาธิพอจิตเริ่มมีสภาธิแล้วลมหายใจหายไปเป็นครั้งขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็ดูก็นั่งเฉยๆไปไม่มีลมดูก็ไม่ต้องดูดูความว่างไปแต่อย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมแล้วก็สงบนิ่งไปต่อไป คำถามจากคุณอนันตาค่ะตกกระไดพอยโจนที่ว่าทำได้ถ้าเคยทำมีมีวิธีฝึกอย่างไรเจ้าคะไม่เข้าใจความหมายเขาเขียนมาแค่นี้อ อ, อก็ส่งเข้ามาใหม่เลยคือ ค, คำถามมันไม่สมบูรณ์ตกคำว่าตกกระไดพอยโจนก็คือทำไปตาม เหตุการ์บังคับไปก็เลยตกกระไดพลอยโจรไม่ตั้งใจจะรักษาศีลพอดีเพื่อนชวนมาวัดก็เลยต้องรักษาศีลตามเข้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าตกกระไดพลอยโจรไปหรือไปกับเพื่อนเพื่อนชวนไปเสพยาก็เลยเสพกับเขามันก็ตกกระไดพลอยโจรไปคือไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจที่จะทำแต่ทำเพราะว่าเหตุการ์มันพาไปคำถามจากคุณโรจนนาค่ะเรียนถามพระอาจารย์ เจ้าพ่อไม่สบายเรานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเราแผ่อุทิศส่วนกุศลนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรโดยใช้ชื่อพ่อแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคะคอาการ<ำ>พ่อจะหายป่วยไหมเจ้าค ะ, ะไม่หายหรอกถ้าหายป่วยก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมียานะทําไม่ได้หรอกทาได้ก็เพื่อบรรเทาเวรกรรมต่อกันได้อยู่ แต่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาอาจจะผ่อนยดยศผย่อนลดยศโทษให้เราลงไปก็ได้แต่ต้องไปแผ่แบบมีของให้เขาเช่นคนที่เขาเกลียดเรานี่ก็ซื้อของขวัญไปให้เขาอยู่เรื่อยๆเอาขนมไปฝากเขาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็หายเกลียดเราเอง <Yeah. S 2> เขาก็จะรักเรา mm. แต่ถ้าแผ่ด้วยการนั่งเฉยๆนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็สวดแผ่ให้เขาเขาเขาไม่รู้เขาไม่ได้รับ <Yeah. S 2> ต้องให้เขารับรู้ว่าเราได้แผ่เมตตา ได้อุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาก็ซื้อของไปฝากเขามีอะไรก็ช่วยเหลือเขาอย่างนี้เขารับรู้แล้วเขาก็จะทำให้เขาหายหายจากความโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทเราได้คำถามต่อไปนะคะอยู่กินกับภรรยามาสิบสองปีมีลูกชายหนึ่งคนส1บขวบที่ผ่านมาภรรยาดีมากงานบ้านดูแลผมและลูกเป็นอย่างดี ไม่เถียงไม่เคยพูดคำหยาบคายแต่เมื่อวันวันปีใหม่นี้ผมจำได้ว่าภรรยาแอบครบชู้จึงให้โอกาสภรรยากลับตัวกลับใจแต่ภรรยาแอบกับเก็บเสื้อผ้าหนีตามชูไปทำให้ผมเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากครับขอหลวงพ่อแนะนำผมด้วยครับก็มองมองในแง่ดีก็ได้ว่าเราจะได้หาแฟนใหม่ได้เขาไปแล้วเราก็จะได้ของใหม่ อยู่ของเก่ามานานแล้วมันก็น่าเบื่อถึงเวลาคนที่จะเปลี่ยนใหม่ได้แล้วดีซะอีกเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเขาอยู่กับเราล่าจะต้องไปเป็นชู้แทนเขาก็ได้ตอนนี้เราไปเป็นชู้ได้อย่างสบายไม่มีใครก็ว่าเราแล้วอตอนนี้คำถามหมดค่ะอ๋ไม่รู้ตอบนี้จะถูกไหมอ๋ออ่ามันก็ถูกอ๋อมองเมื่อลราแต่เราจะมองในแง่ไหน ใช่ถ้าเราไปมองแง่ว่าเขาเป็นของเราเขาทิ้งเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเราบอกว่าเออเขาเป็นของเก่าแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนใหม่เขาไปได้ก็ดีเราจะได้หาใหม่ได้จะได้ของของดีกว่าเก่าสิจะไม่ลดเก่าเรายังทิ้งเลยใช่ลดเก่าเรายังหาใหม่เลยแล้วทาไมคนคนเก่าจ <laughs> ะจะหาใหม่ไม่ได้ยิ่งถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราใชออ่ถ้าเขาไม่เปิดโอกาสก็ต้องทนอยู่กับเขาไปก่อน แต่ถ้าเขาไปก็สบายเลยที่นี้เราก็จะได้ไปทุกทำไมทุกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งๆมีโอกาสที่จะมีความสุขกลับไปทุก์ก็แสดงว่าเราโง่คำถามต่อไปจากคุณแจ้งค่ะได้ยินบางคนพูดว่าถ้าเราตักเตือนบอกกล่าวพระที่ประพฤติผิดศีลหรือทำให้าศาสนาโมเมาไม่บาปจริงไหมคะ เพราะเพื่อทำปกป้องศ า, าสนาหรือเราควรทำเช่นไรดีคะคือบอกก็ได้เพียงแต่ว่าบอกแล้วท่านจะฟังหรือเปล่าเท่า น, นั้นเองแล้วมันอยู่ที่กาละเทศะว่าควรจะบอกหรือไม่บอกคือบางทีเขาเป็นผู้ใหญ่กับเราไปบอกแล้วเขาไม่ฟังแล้วเขาโกรธเราแทนที่ว่าจะเป็นเพื่อนกันต่อไปก็เลยกลายเป็นศัตรูกันก็ได้ ย่งก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าการจะพูดไปบอกใครไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมต้องดูหนึ่งฐานะของเขาว่าเขาสูงกว่าเราหรือเปล่าเช่นพ่อแม่นี่ถ้าเราไปบอกพ่อแม่ก็อาจจะโกรธเราก็ได้อาจจะเสียใจก็ได้ที่ลูกไปว่าพ่อว่าแม่ไม่เคารพเขาถือว่าเป็นการไม่เคารพเขาจะเสียใจตรงนั้นอย่า้นเราก็ต้องระมัดระวังถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ก็อย่าไปบอก นอกจากผู้หลักผู้ใหญ่เขาเปิดโอกาสเขาถามว่ า, าลูกมีอะไรเหรือเห็นพ่อแม่ทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเอาถ้าเขาบอกอย่างนี้เขาบอกได้เขาก็จะไม่เสียใจเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการบอกของเราดังั้นการจะบอกใครนี้ต้องดูกาลเทศะดูความเหมาะสมดูผลที่จะเกิดตามมาต่อไปถ้าพูดไปแล้วเกิดผลเสียหายขึ้นมาก็อย่าไปพูดดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณชาริสค่ะความนึกคิดของพระอรหันต์มีอาการเผลอไหมครับอ๋อก็คิดได้แต่จิตท่านไม่เผลอหรอกจิตท่านมีสติสมบูรณ์แต่ความคิดท่านก็คิดของท่านไปแต่ท่านจะไม่คิดไปในทางกิเลสไม่คิดไปในทางความโลภโกรธหลืไม่คิดไปในทางความอยากคำถามจากคุณอนันตา ม, มื่อสักคู่ค่ะพระอาจารย์ ตกกระไดพลอยโจรหรือพระอาหารหันในปากเสือมีวิธีฝึกไหมครับไม่รู้เหมือนกันก็พระผ้าหลในปากเสือก็ผ้าที่ไปปฏิบัติในปากไงแล้วพอเจอเสือเสือกัดท่านก็โป่ ง, ปงตายยอมตายท่านก็เลยบรรลุเป็นพาาระอรหันขึ้นมาถ้าไม่ตายก็จะไม่ได้เป็นเห ม, มือนเมื่อวานนี้มีลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าตัวเอง เกือบตายเพราะว่าอาเจียนปวดท้องถ่ายท้องหลายรอบตอนคิดว่าตัวเองจะตายก็เลยปรงยอมตายใจก็เลยหายทุกข์หายกลัวหลังจากนั้นมีความสุขมากอันนั้นก็เป็นแบบลักษณะตกกไดพลอยโจรเพราะถูกบังคับให้ทำถ้าไม่มีเหตุบังคับให้ปรงก็ไม่ปรงคนเราบางทีต้องมีเหตุการณ์บังคับเช่นไปอยู่ป่าเจอเสือแล้วยอมปรงยอมตาย ก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ในปากเสือได้แต่ตัวก็ต้องตายไปตตายก็ตายเพราะว่ายัางไงก็ต้องตายอยู่ดีตายแบบนี้เรียกว่าตายแบบกําไรตายแล้วได้เป็นพระอารหันต์คำถามจากคุณพนมพรค่ะขอแนวทางในการล้าความโกรธออกจากใจเราครับก็อย่าไปอยากเพราะความโกรธเกิดจากความอยาก พออยากให้เขาทำอะไรพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำอะไรให้เราเราก็จะไม่โกรธเขาสังเกตดูคนที่เราไม่รู้จักเรามักจะไม่ค่อยโกรธเขาหรอกเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราแต่คนที่เรารู้จักนี่เรามักจะโกรธเขาอยู่เรื่อยๆเพราะเรามักอยากจะให้เขาทำนู่นทำนี่ให้เราพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธเขาขึ้นมายิ้นถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยาก อย่าไปอยากได้อะไรจากใครแล้วจะไม่โกรธจะไม่เสียใจคำถามจากคุณชวนค่ะเทวดาหรือโลกทิพย์ได้ยินได้เห็นมนุษย์หรือไม่ถ้าเราพูดภาษามนุษย์พวกเทวดาเข้าใจของภาษามนุษย์หรือไม่อยากเรียนถามครับพวกเทวดานี้เขาใช้ภาษาใจใช้ภาษาความคิดในใจเวลาเราคิดในใจเนี่ยเทวดาเขาได้ยิน ถ้าเขามาตั้งใจจะฟังเราเขาก็จะได้ยินแต่ส่วนใหญ่เขาไม่มีเวลาจะมาฟังความคิดของเราหรอกเพราะเขาก็เหมือนเราเขาก็ต้องไปหาความสุขของเขาเขาก็ไปหาแฟนหาเพื่อนหาอะไรเที่ยวของเขาเขาก็จะไม่มานั่งรอฟังความคิดของเรานอกจากว่าเขารักเราคิดถึงเราห่วงเรานี่เขาอาจจะมารอเราหาอยู่ใกล้เราก็ได้ที่เราเรียกว่าเทวดาเทวเทพรักษา คือคนที่เขามีความผูกพันกับเราเขาตายไปเขาเป็นเทวดาเขามีความห่วงใยเราเขาก็จะมาคอยดูแลรักษาเราเวลาเราคิดเดือดร้อนอะไรเขาก็จะหาวิธีช่วยบําบัด응ให้ความเดือดร้อนนั้นหายไปได้คําถามจากป้านอมคะ่ะเพื่อนเล่าเพื่อนเล่าฝันว่าพ่อตายไปแล้วมาบอกไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยให้ทําบุญให้หน่อย แล้วเขาซื้อเสื้อผ้าไปทําบุญอันนี้มีจริงแบบนี้ด้วยหรือไม่คะคนตายสามารถบอกบุญให้ทําบุญให้ได้ด้วยหรือไม่คะได้คนตายไปนี่เขาก็ยังสามารถติดต่อกับคนเป็นได้แต่คนเป็นนี่จะต้องเข้าสมาธิหรือจะหรือจะต้องนอนไปนอนหลับไปถึงจะรับรู้เรื่องของคนที่ตายไปแล้วได้เพราะเวลาที่เราตื่นเราจะมาอยู่กับทาง รูปเสียงกลิ่นรสเราก็เลยจะไม่ได้รับรู้เรื่องทางทางจิตใจต้องเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาเข้าสมาธิแล้วถ้าคนที่เขาตายไปแล้วเช่นพวกกายที่เขาอยากจะติดต่อกับเราเขาก็จะติดต่อกับเราได้ในตอนนั้นคำถามจากคุณชนะตนค่ะจะให้พระพุทธศาสนาอยู่ยั่งยืนชาวพุทธต้องปฏิบัติตามมรรคแปดใช่หรือไม่คะ ต้องศึกษามรรคแแล้วก็ปฏิบัติตามมรรคแจนบรรลุบรรลุแล้วก็จะได้เอามรรคแที่ได้บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งศาสนาก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆไม่ได้อยู่ที่การสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาแต่สร้างได้ถ้ามีความจําเป็นต้องสร้างแ้วมีความสามารถจะสร้างก็สร้างไป แต่ถ้าต้องเลือกระหว่างการสร้างวัดกับการศึกษากับการปฏิบัติก็ควรจะเอาการศึกษากับการปฏิบัติจะดีกว่าคำถามจากคุณเนโก้ค่ะทำบุญวันพระกับไม่วันพระแตกต่างกันไหมคะไม่ต่างหรอกทำวั น, ว, น, ว, นวันไหนก็ได้บุญเหมือนกันเหมือนกินข้าวกินข้าววันนี้กับกินข้าวพ่กนี้มันก็อิ่มเหมือนกันคำถามต่อไปนะคะ สวดมนต์ทวัดเช้าเย็นโดยฟังเสียงพร ะ, พระสวดจากเอ็มพสามและดูหนังสือสวดมนต์ว่าไปตามด้วยแบบนี้จะได้บุญไหมครับก็เป็นการฝึกสติยังไม่ได้สมาธิต่อไปถ้ามีสติแล้วก็ไปนั่งสมาธิได้ถ้านั่งสมาธิจิตสงบก็จะได้บุญขึ้นมาคำถามจากคุณเมธาค่ะพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัด เราควรจะตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไรดีเพราะเงินแม่ก็ก็มีพอใช้แล้วมีไม่มีก็ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับเราเรายังต้องตอบแทนอยู่เราก็ส่งเงินแบ่งเงินไปให้พ่อแม่ใช้เราควรที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ถ้าอยู่ไกลก็ส่งเงินไปเราจะไปรู้ไงว่าเขามีใช้พอหรือยังกิเลส ข, ของเรามักก็จะคิดอย่างนี้เพราะจะได้ไม่ต้องให้เขา เขาจะมีมากมีน้อยก็ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือเราต้องให้เรามีเท่าไหร่เราต้องมีความสามารถแบ่งให้ท่านได้อย่างน้อยร้อยละสิบของรายได้ของเราก็ยังดีทำไปเถิดแล้วจะได้บุญจะได้ตอบแทนบุญคุณจะเป็นคนมีความกตัญญูกะตะเวทีแล้วจะเป็นคนที่มีคนเขารักยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีตอนนี้คำถามหมดแล้วคะ่ะ เดี๋ยอีกห้านาทีแตคนทําบุญเนี่ยมักจะถูกกิเลสหลอเวลาจะทําบุญกับวัดกับวัดนี้รวยแล้วทำบุญกับพระรูปนี้คนก็ทําเยอะแล้วก็มาเลยพอจะไปทํากับวัดที่ไม่มีกับวัดนี้ไม่ดีเพราะคนยังไม่ขึ้นจะไปทํากับบุญกับพระที่ไม่มีคนไปทําบุญก็ไม่อยากจะทําอีกมันก็เลยไม่ได้ทําเหมือนคนที่จะกินข้าวเทวดากินข้าวขับรถไปตามร้านอาหาร อยากจะไปกินร้านอร่อยคนก็เยอะต้องรอคิวก็ไม่อยากจะรอถ้าไม่อยากจะรอต้องไปกินร้านไม่อร่อยก็ไม่อยากกินอีกในที่สุดก็อดตายอันใด ก, ก, ก, การทำบุญก็เหมือนกันการทำบุญก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารแก่ จ, จิตใจถ้าเรามีข้อแม้ในเรื่องการทาบุญแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้ทาเดี๋ยวตายไปเราก็จะกลายเป็นเปรตไปเพราะไม่มีบุญติดตัวไปจะต้องไปเป็นขอทาน ว่ายัางไงนะนเดี๋ยวใหข้าสัทีเดี๋ยวอีกข้าหนทีจะเสร็จค่ะคําถามจากคุณแจงค่ะจะทําเช่นไรคะให้พ่อแม่สนใจปฏิบัติธรรมท่านเชื่อว่าทําดีช่วยเหลือให้ทานพอแล้วท่านท่านชอบไปวัดนับถือพระค่ะก็ไม่เป็นไรแค่ท่านท่านนี้ไปก่อนเดี๋ยวท่านไปวัดท่าไปคุยกับพระเดี๋ยวท่านก็จะ สนใจเรื่องของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมต่อไปเองตอนนี้ท่านยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นก็ต้องใจเย็นๆค่ะคำถามจากคุณไอเบอร์รี่ค่ะพ่อและแม่เสียใจทันทีหลังจากเรียนจบทำให้ไม่ได้ตอบแทนท่านควรทำยังไงดีคะพ่อเสียตายไปใช่ไหมไม่ใช่เสียใจใช่ไหมเสีย เสียทันทีก็ทําได้ก็เพียงแต่ทดแทนบุญคุณด้วยการทําบุญอุทิศบุญไปให้กับท่านแล้วก็ทําตัวเราให้เป็นคนดีปฏิบัติบูบชาเพื่อจะไดร้รักษาชื่อเสียงของครอบครัวของตระกูลว่าตระกูลนี้มีแต่คนดีพ่อแม่ถ้าเขารับรู้เขาก็จะมีความสุขคําถามต่อไปค่ะตั้งแต่ผมเริ่มนั่งฝึกสมาธิเราชอบฝันร้ายต้องทํายังไงดีครับ มันไม่เกี่ยวกันหรอกฝันร้ายมันเกิดจากการทําบาปในอดีตถ้าเราฝันร้ายแล้เวลานอนนอนดับเราก็จะถ้าเราทําความเชื่อทําบาปเวลาเรานอนดับเราก็จะฝันร้ายถ้าไม่อยากจะฝันร้ายก็ต่อไปนี้ก็พยายามทําแต่ความดีทําบุญอยู่เรื่อยๆต่อไปบุญมันก็จะส่งผลแล้วผลร้ายคือบาปมันก็จะหยุดไปงั้นตอนนี้พยายามทําบุญไปเรื่อยๆต่อไปก็จะฝันดี มันไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิแล้วไม่นั่งสมาธิคำถามจากป้านอมค่ะหุงข้าวไปใส่บาตรแต่กับข้าวซื้อแบบนี้ได้บุญไหมเจ้าคะได้จะทำเองหลือไปซื้อมาก็ได้คำถามจากคุณพลค่ะถ้าทำความดีคือด้วยคือชอบด้วยกฎหมายจะรักษาสินกี่เปอร์เซ็นครับเมื่อเรียบเทียงกัน กไ็ไม่ไม่รู้แหละกฎหมายบางอย่างนี้มันขัดกับศีลก็มีเช่นกฎหมายไม่ห้ามให้ดื่มสุรายามเมาดื่มได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลละธรรมกฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ให้มีชู้กครจะไม่มีชู้ก็มีได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีละละธรรมนี่เราก็ต้องเอาศีลละธรรมเป็นหลักเพราะศีลละธรรมนี่เหนือกว่ากฎหมาย คำถามต่อไปค่ะสุดท้ายคำถามสุดท้ายะนะมีความรู้สึกทุกข์และมีคำถามในใจตอนเด็กว่าเกิดมาทาไมพอโตขึ้นตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันสังเกตตนเองว่าไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบร้องรำทำเพลงไม่ชอบเพี่ยวกันคืนไม่กินเหล้าหากไปก็จะรู้สึกโหดโหไม่สนุกเหมือนคนอื่นเป็นคนที่มีความรู้สึกเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นกับเทศกาลต่างๆ แบบนี้ถือว่าเป็นคนผิดปกติไหมคะไม่หรอกก็เป็นคนที่มีมเคยศึกษาเคยปฏิบัติเคยบวชมาก่อนคนพวกนี้เคยถือศีลมาในอดีตเคยบวชมาเป็นนักบวชก็เลยไม่ค่อยชอบชีวิตแบบคารวะต่อไปถ้าได้ไปสัมผัสกับพวกนักบวชก็จะเกิดศรัทธาออกบวชเองไม่เชื่อลองไปหาไปหาพระดูไปอยู่วัดดูสักพักหนึง่งเดี๋ยวก็ได้บวชอย่างแน่นอน เพราะมันจะมันจะถูกกับเราเราจะมีความสุขเพราะถ้าเราไม่มีความสุขกับชีวิตทางโลกเราก็แสดงว่าเราเคยมีความสุขกับชีวิตทางธรรมมาก่อนก็เลยตอนนี้เราเข้ากลุ่มผิดท่านผิดกลุ่มเราไปอยู่กับพวกที่ชอบหาความสุขทางตาหูจะบกุกวิ้วกายเราก็เลยรู้สึกว่าเราแตกไม่เหมือนเขางั้นเราลองไปอยู่วัดดูแล้วเราจะรู้ว่าเออเราเข้าถูกกลุ่มแนละ้ว